ทางญาตยมนี่มาจากที่ไหนกันขอมาเชชวนๆะไม่ได้กาารั้งแรกศิลปชากันเดีวขาเาก็มาเนเดี๋ยวนี้ยาตยมที่ใส่บาทที่บ้านน้ำพายก็เริ่มจะเข้ามาฟังเทศทน์ฟางธรรมเมื่อก่อนก็ไม่ไม่สนใจใส่บาทเสร็จก็จบแล้วคราวต่อหลังนี้เขาไปได้ข่าวอะไรมาว่า ก่อนเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่เาแต่ใส่บาทรแล้วเขาก็ธรรมะกิน <c oughs> ื่อเป็นพ่อเฟซบุ๊กก็ไม่รู้นะมียมใส่บาทรบางคนเข้าวัดนนี้เขาเข้าไปในเฟซทุกวันลูกสาวแนะ น, นำให้เข้าไปดูเข้าไปอ่านแล้วก็ดับความไม่สบายใจได้ พราะคนนี่พอดีเขามีปัญหาสามีไปมีมีน้อยพอได้เลยอ่านหนังสือธรรมะอะไรต่างๆให้รู้ใช่ไหมมือตาสว่างขึ้นมองเห็นอนิจจังทุกขอังอนัตตา ธรรมะคุณตรก้าก็มีแค่นี้สามข้อนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาปัญหาของพวกเร า, าก็คือความอยากความอยากทำให้พวกเราเดินกันทุกวันเดินหานั่เดินหานี่นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะสิ่งที่เราหามันไม่ได้เป็นอาหารเป็นของที่จะให้ใจเราอิ่มใจเราพอด้ว ได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดีวได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็อยากจะได้ใหม่เวลาเสียไปก็เสียใจเวลาไม่ได้มาก็เสียใจวนเวียนอยู่กับของพวกนี้หามาหาทางตาบ้างหาทางหูบ้างทางจบูกทางลิ้นทางทางร่างกายหาความสุขทางนี้กันหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ อ <c oughs> มาได้ก็ต้องหวงห่วงไอ้หวงกลัวคนเดินจะมาเอาไปห่วงกลัวเขาจะจากเราไปพอเข้าไปก็เสียใจคือเราต้องจากกันทั้งวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วอันนึ่งสางนี่เราดูอนิจจังอยู่เรื่อยๆอนิจจังก็คือการต้อง มีการพัดภาพจากกันไม่มีอะไรแน่นอนปัญหาของเราคือใจเราไม่มีไม่มีความอิ่มเพราะาเหมือนกับกินอาหารที่ไม่ไม่ทำให้ท้องอิ่มเหมือนกินขนมขนมแล้วมันไม่อิ่มต้องกินข้าวอาหารของใจไม่ได้เป็น รูปเสียงกลิ่นรสใจต้องเป็นความสงบความใจสงบแล้วใจจะอิ่มอิ่แล้วพอเห็นออันนี้จังก็จะจะได้ไม่ไม่ไปไปเกี่ยวข้องด้วยเห็นอะไรตปนเน้นจังก็จะถอยจะถอยได้มาแล้วเสียไปไปหามันมาทำไ ม, มหาสิ่งที่มันไม่เสีย ถ้าสิ่งที่มันไม่แจกเราดีกว่าก็มีสิ่งเดียวก็คือใจเรากับความสงบใจเราสงบแล้วใจเราจะสบายจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆอยู่คนเดียวได้ร่างกายเป็นอะไรก็อยู่กับมันได้รับมันได้ร่างกายอดอยากขาดแคลนก็อยู่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับเขาได้ร่างกายตายไปก็ รับได้เพราะใจไม่ได้มีความหิวความต้องการอะจากร่างกายถ้าใจไม่สงบในใจต้องการร่างกายเพราะจะได้ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมามีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังดูได้ดูภาพได้ฟังเสียงก็ถูกที่ถูกใจก็มีความสุขเวลาได้ดูภาพฟังเสียงที่ไม่ถูกใจแบบอยู่บ้านนี เห็นแต่ภาพจำเจได้ยินแต่เสียงจำเจมันก็เบื่ออยากออกไปข้างนอกอยากออกไปเที่ยวกันเวลาไปเที่ยวก็ไปตามสถานที่ที่เขาจัดภาพจัดเสียงแปลกๆใหม่ๆให้เราดูกันใ ห, ใ, หให้ได้ฟังกันพอเห็นแล้วก็ตื่นเต้นตื่นใจมีความสุขเหมือนปลาได้น้ำอยู่บ้านเหมือนปลาไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิตชีวาพ อ, อไปข้างนอกได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่นลิ้มรสก็เลยมีชีวิตชีวาเหมือนได้น้าแต่มันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านากลับบ้านมันก็หมดไปถ้าเอามาไว้ที่บ้านมาซื่อมาเปิดมาดูมาฟังที่บ้านดูบ่อยๆซ้ำๆ ซ, ซ, ซ, ซ, ซ่าๆก็เบื่อ เพราะของพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้านานๆานดูทีก็มีความสุขดีแต่ถ้าดูซ้ำๆ ซ, ซากๆจำเจเนี่ก็เบื่อของให้มันดีขนาดไหนเช่นเราชอบขนาดไหนเช่นกับข้าวกับปลาเนี่ยลองกินอาหารจานเด็ดที่เราชอบกินซ้ำๆซาๆสักสิบวันเนี่ยมันจะไม่อยากน สมัยที่เราจะมาไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกเนี่ยที่สารัฐแล้วต้องไปทํางานที่ร้านขายติ่มโอ้ไมได้กินไอติมมรีใหม่ๆไปกินโอโ้โหกินมาแล้วกี่ถ้วยพกินไปสักสองอาทิตย์สาอาทิตย์นี้ไม่อยากจะกินแล้วเบื่อนะเนี่ยของในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันไม่มีมันก็ไม่ได้พอมีมันก็เบื่อมีมากเกินไปก็เบื่ มันไม่ไม่ดูดเดิมใจมันไม่อิ่มเอกใจไม่เหมือนกับความสงบถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบแนละ้วมันจงกมันสบายมันไม่หิวไม่โหยไม่อยาได้เลยแล้วมันไม่เบื่ออันนี้มันไม่เบื่อสงบมากถ้าหลายนานท่าหล่ยยิ่งดีอันนี้แหละเป็น สิ่งที่เราควรจะหากันอย่าไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายเราก็เสื่อมสภาพไปไม่ทราไม่ไม่ไม่มีความสามารถที่จะหาหาความสุขได้ผ่านทางร่างกายเดี๋ยวนี้พวกฝลั่งเขามีเขามีเหมือนกับเป็นอะไร ความเคลื่อนไหวหรืขอขบวนการที่พยายามจะผลักดันให้มีการฆ่าตัวตายโดยถูกกฎหมายเพราะเวลาแก่แล้วอยู่บางทีอยู่ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครดูแลแล้วก็ไม่มีสังคมไม่มีชีวิตไม่มีความสุขก็บอกว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีดีประยู่แบบ เขาเดยาวเอ า, เ อ, าอ้างว่าตาแบบมีศัก์ศีอยู่แบบไม่มีสัก์ศีอยู่แบบ <c oughs> เหมือนกับหมาข้างถนนนี่ <c oughs> เพราะสังคมเขามันไม่มีไม่มีครอบครัวพอตัวใครตัวมันพอลูกโตแล้วลูกก็ไปทางพ่อแม่ก็ไปทางพอแม่กาสายมีสังคมสงเคราะห์ มีอะไรมีรักษาพยาบาลของทางรัฐบาลให้ของพวกนี้มันก็ดูแลรักษาร่างกายไปได้แต่บางถ้ามีโรคภัยที่รักษาไม่หายก็ต้องอยู่ ม, มันไปอย่างนั้นทรมานไปก็ไม่อยากจะทนกับทุกขเวทนาทางร่างกายก็เลยมีมีการที่จะผักดันให้มีออกกฎหมายให้ให้หมอช่วยฉีดยา ยาพิษให้แล้วก็มีหมอบางคนก็มาแนะนำวิธีฆ่าตัวตายให้วิธีใช้อะไรแบบที่มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรสังคมจเจริญแทนที่จะมีความสุขกลับมาในบ้านปลายคนชีวตจะต้องมาคิดฆ่าตัวตายกัน นี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่าต้องสามเดือนจะต้องตายแล้วจะต้องเจ็บต้องปวดก็ไม่อยากจะผ่านไปพบมันนี่เพราะว่ามันไม่มีที่พึ่งทางใจถ้ามีที่พึ่งทางใจเช่นเราทําใจให้สงบได้เนี่ยความเจ็บปวดของทางร่างกายจะไม่เข้ามารบควณใจ ใจเราเหมือนเหมือนกับเราอยู่ในห้องห้องปรับอากาศข้างนอกจะร้อนอย่างไรใจนี้จะไม่ร้อนร่างกายจะเจ็บจะปวดอย่างไรถ้าถ้าใจเราเนี้ยอยู่ในความสงบเนี้ยความเจ็บของร่างกายจะไม่มาสะเทือนใจ <c oughs> ที่มันเจ็บมากๆไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายความเจ็บของใจใจกลัวความเจ็บของร่างกายความกลัวเนี้ยมันสร้างความ เจ็บปวดธรมานให้ับายใจใจไม่มีความกลัวใจอยู่เฉยๆนิ่งๆนะความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรโวกเราไดโชคที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์ของทางร่างกายไนดะ้ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ย่ำต้องเกิดขึ้นแต่ใจของเรานี่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของความตายของร่างกายเลยถ้าเรามาตดมาศึกษาวิธีควบคุมใจให้สงบสอนใจให้สงบอย่าไปยุวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมากเกินไปดูแลร่างกายไปตามเหตุตามผล ตามมีตามเกิดร่างกายมันไม่ต้องการอะไรมากมันต้องการแค่ข้าวที่อยู่อาศัยน้าดื่มอากาศแว้งหายใจมีเสื้อผ้าไว้ใสเก็บไข้ได้ป่วยก็มียาไว้รับประทานแค่นี้มันก็อยู่ของมันไป <c oughs> แตเป่เราไปหลงผิดเราไปหลงอาศัยร่างกายเป็น เป็นเครื่องมือหาความสุขพอเรามีร่างกายเราก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยมีใครซื้อตั๋วเที่ยวมาให้เนี่ยไปกันทุกคนใช่ไหมอย่างรถทัวร์ที่มาวัดยานเนี่ยบางทีมาจากภาคอีสานกันเนี่ยบี อ, อ บ, อ ต, ออบอตอบตเขาจัดมากันเะเนี่ยตรงนี้พวกนายก อ, อบอตอพวกอะไรเขาเหมือนกับเป็นการตอบแทนเวลาหาเสียงเลือกตั้งอะไร ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขาก็พาพวกชาวบ้านมาเที่ยวนะี้ให้เงินแล้วให้ให้ไปเที่ยวในใครใครก็ไปเพราะชอบไปเพราะใจมันอยากจะหาความสุขมันรู้จักความสุขทางนี้ทางเดียวความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายถ้าเอาบาตอจัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยขึด้วยจะไปไม่กี่คนแต่ของดีไม่รู้กัน ขอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดไปไปอยู่โกเองก้าวสักสิบวันนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนไม่ให้คุยกันให้ทําใจให้สงบเพราะเวลาคุยกันใจมันต้องทํางานเนี่ยเวลาเราจะคุยนิจใจราต้องคิดก่อนคิดว่าจะพูดอะไรเพราะใจคิดมันใจก็ไม่มิ่งไม่สงบมันก็เลยไม่มีความสุข พอคิดมากๆเหล๋ยไปคิดถึงขนมนมเหนยก็ยิ่งหิวใหญ่บางทีร่างกายมันไม่หิวอ่ะแต่ใจหิวละคิดถึงขนมนมเหนยบางทีกินอาหารเพิ่งเสร็จไปหยกหยกพอไปคิดถึงอะไรที่น่ากินขึ้นมาอีกก็อดไม่ได้อยากไปกินร่างกายมันถึงรับประทารมากเกินความต้องการเ <c oughs> พราะใจมันมันหิวหิวด้วยความคิดเนี่ยพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมา แล้วก็ใช้ร่างกายเนี่ยเป็นผู้ตอบสนองความอยากของตนนี่พอร่างกายเริ่มแก่ลงแก่ลงมันก็ไม่ได้ตอบสนองความอยากไม่ได้พออยากแล้วไม่ได้ก็ใจก็ไม่สบายใจแัน้เราต้องมามาฝึกผนอบรมใจให้มันอยู่นิ่งๆอย่าให้มัน คิดตรงแต่งอย่าให้มันอยากได้นู่นได้นี่อยากไปนู่นมานี่อยากทํานูน่นทํานี่เกิดมาทํามาตั้งแต่เกิดมาแล้วเป็นยังไงได้อะไรมากมันก็ยังอยากทําเหมือนเดิมอะทํำมาถ้าเป็นธาตกายโยกี่สิบปีแล้วพอหรือยังอิ่มหรือยังไม่อยากทําหรือยังไม่มีทานี้ถ้าร่างกายมันยังทำอะไรได้อยู่มันไม่หยุดอะมันจะหยุดก็ต่เมื่อร่างกายมันไม่ไหวแล้วไปไม่ได้ ถ้วเวลาไหนก็ทุกเครียดท่าตัวตายดีกว่ายี่ถ้าใครมาพูดอะไรทําให้ั้ำหลกช้ำใจหน่อยน้อยคนแก่นี่น้อยกว่น้อยใจง่ายลูกหลานพูดอะไรไม่ดีท่าหน่อยนี่เดี๋ยวท่าตัวตายดีกว่าไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละไปเราก็เหมือนเหลิงมีมันไปไหนมาไหนด้วยความคิดคิดไปโน้มคิดมานี่คิดไปคิดมาแล้วก็อยาก อยากไปทําตามความคิดพอไปทําเสร็จก็เดี๋ยวก็อยากใหม่ถ้าไม่ถ้าคิดแล้วอยากแล้วไม่ได้ทำก็ยิ่งเครียดขึ้นไหมเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเชือกมาคอยดึงมันไว้หยุดมั น, นเชือกที่พระเจ้าสอนก็คือสติ สตินี้จะตัวบังคับควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้สวิธีจจเจริญสตินี้ก็มีต้องสี่สิบวิธีด้วยกันที่เราได้ยิ น, นุกยุบหนอพองหนอนี่ก็วิธีหนึ่งพุโทโธพุทโธนี่ก็วิธีหนึ่งเพ่ง ด, ดงูดวงแก้วลูกแก้วก็เป็นวิวธีมีหลายวิธีคือเป็นอุบายที่จะทําให้เราไม่ต้องไปคิดหยุด ให้เราหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเช่นถ้าเราพุโทโธพุโทโธ่เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือสดวดมนต์เนี่ยที่ญาติโยมคนแก่เข้าวัดแล้วก็ไปสดวดมนต์กันก็เป็นวิธีเจริญสติวิธีหยุดความคิดเพื่อจะให้ทําใจให้สงบแต่ว่าการสวดนี่มันเป็นการหยุดเบื้องต้นมันไม่หยุดอย่างเต็มที่หยุดได้เพียงเล็กน้อย ทำให้ใจเบาลงไปบ้างไม่ต้องไปกังวลกับลูกหลานไม่ต้องกังวลไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบอย่างเต็มที่เนี่ยจะต้องนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวในเบื้องต้นถ้ามันดูไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนกล่อมใจไปก่อนทาให้มัน เวลานั่งใหม่ๆนีความคิดมันยังแรงอยู่ก็ใช้การสวดมนต์เยาะสู้กับสู้กับความคิดแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เด้งมันมาสวดเอทีอออปิโสไปสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็สวดไปเลยสวดไปสักทุกทักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใจเริ่มเบาเริ่มเย็ยนความคิดเริ่มอ่อนลงก็ลองใช้พุทธโธดู หรือถ้าไม่อยากจะท่องพุโทโธก็ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้เข้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกแต่จะนั่งทำอย่างนี้ได้ก่อนจะมานั่งก็ต้องมีสติควบคุมใจอยู่ทั้งวันต้องคอยควบคุมอย่าให้มันคิดเรื่อยเปื่อยผูกมันไว้กับพุโทโธก็ได้ผูกมันไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายกํลาลังทําอะไรก็เอาใจมาผูกมันไว้ ให้เฝ้าดูว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ า, อาบน้ําล้างหน้าหวีผ้าห ว, วีผมแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวกินอะไรให้ทําให้อยู่กับใจอยู่กับการทํางานของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติ ถ้ามันเศ้ามันก็มันก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันคอยดูทุกิริยาบทท่านสอนตั้งแต่การตักข้าวขึ้นมาเอาเข้าปากเคี้ยวกลืนให้รู้อยู่ทุกอิริยาบทอย่างที่เขาสอนให้เดินเห็นหมยกหนอก้าวหนอวางหนอยกหนอก้าวหนอวางหนอนี่ไม่ได้หัดเดินนะ หัดเอาใจมาผูกติดไว้กับการเดินความจริงในเบื้องต้นทําอย่างนี้ก็ได้แต่พอรู้แล้วก็เดินธรรมดาไนดะ้ใจมันเร็วจะตายไปไม่ต้องมายกหนอก้าวหนอเดินหนอกลายเป็นคนเหมือนคนที่การหัดเดินนะก็เดินเป็นธรรมดาไปแต่ใจให้ให้ยกหนอก้าวหนอวางหนอยกหนอก้าวหนอวางหนอไปกับมันเลยก็ได้มันจะเดินเด็วขนาดไหนใจมันตามทันถ้าเราเฝ้าดูมันจริงจริง ไม่ต้องมาทําช้าๆช้าๆอาจจะเป็นเหมือนว่าเริ่มผัดเริ่มผัดเอาใจมาผูกไว้กับร่างกายต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายก็อาจจะทําช้าๆไปก่อนแต่พอทําทำนานแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องช้าละเหมือนใจมันเร็วจะตายเลยเร็วกว่าร่างกายนี่เป็นอุบายวิธีสร้างสติถ้าใจเราอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่มีเวลาไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะว่าง จะสบายเพียงแต่ว่ายังไม่ ย, ไมยังไม่นิ่งไม่สงบเต็มที่อยากจะนิ่งอยากสงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาเดินนี้ใจยังทํางานอยู่ใ ง, งต้องควบคุมต้องสั่งให้ร่างกายทํางานอยู่ถ้าอยากจะจิตสงบนิ่งเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆหลับตาไม่รับรู้เรื่องราวผ่านทางพวันทั้งห้างแล้วก็อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้ถ้าทําได้อย่างตอนนี้เดี๋ยวมันก็สงบ ใ จ, ใจสงบแล้วมันเย็นสบายเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสงบความสุขกันนี้ความอิ่มความอิ่มเ อ, อิบใจไม่หิวก่นได้ความสงบนี้แล้วไม่ค่อยหิวข้าวถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่เดือดร้อน แล้วขั้นต่อไปก็รักษาความสงบนี้ไว้เวลาออกมาจากสมาธิพอมันจะคิดก็อย่าไปปล่อยให้มันคิดไปทางความอยากเพราะอยากก็เดี๋ยวมันใจก็จะหายความสงบก็จะหายไปพออยากแล้วใจก็เริ่มกระเพื่อมใจเริ่มกระวนกระวายพออยากแล้วก็อยากจะได้อยากจะได้ดังใจถ้าไม่ได้ใจก็ขุ่นมัวขึ้นเลยเห็นต้อ ง, งพิจารณา ความอยากสิ่งที่เราอยากว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความสุขเดียวเดียวแต่ความทุกข์นี้มันมันมันมีมาตั้งแต่เริ่มอยากแล้วพอได้ไปทําสิ่งที่เราอยากก็มีความสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปล้วก็ต้องไปทําใหม่เช่นคนชอบสูบบุหรี่พอไปสูบบุหรี่ได้สูบบุหรี่ก็สบายใจเลยพัก พอเดี๋ยวก็ต้องสูบมวลมาอยากอยากขึ้นมาก็ต้องสูบถ้าไม่ได้สูบก็เครียดขึ้นมาฉนต้องตัดความอยากทุกอย่างให้หมดไปความอยากนี้ไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์กับใจของเราเป็นโทษกับใจของเราเป็นเหมือนเชื้อโรคยาเข้ามาในใจเเกิดความอยากอะไรตัดมันไปให้หมดให้มีอยากอยากอยู่เฉยๆอย่างเดียวพอ อยากนั่งสมาธินี้ไม่เป็นไรอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครถ้าอยากแบบนี้ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นโทษแต่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องเจอของดีเดี๋ยวต้องเจอความทุกข์ก็มีแค่นี้แหละคำสอพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทาใจให้สงบทาใจให้นิ่ง ใจให้ปล่อยวางทุกอย่างเพราะทุกอย่างนี้ไม่ช้ากันเร็วก็ต้องจากกันไปของที่เราได้มาในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายเรานี้ไปนี้มันไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้ก็ได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปส่วนของอย่างอื่นที่ได้ผ่านทางร่างกายก็ต้องหมดไปได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ทรัพย์สมบัติ ได้อะไรต่างๆเดี๋ยวพอร่างกายตายไปก็ก็หมดไป <c oughs> จากกันก็จะทุกข์มากถ้าไม่รู้จักปล่อยวางถ้าไปหลงไปอยากให้อยู่กับเราเพราะลืมคิดไปว่ามันจะต้องจากกันพระเจ้าทึงสองทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วมันก็จะได้ไม่ไปอยาก ให้อยู่ด้วยกันไปตลาดมันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจต้องไปแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องจากเขและเดี๋ยวร่างกายนี้ก็ต้องไปแล้วแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปแต่ร่างกายไม่ต้องกลัวใจเราเนี่ยไม่ได้มีวันตายวันตายไม่มีสำหรับสำหรับจิตใจ <c oughs> มีแต่วันทุกข์เพราะความหลงพอไม่หลงแล้วก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไป ไม่หลงก็คือไม่หลงว่าคิดว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นของเราหรือจะให้ความสุขกับเราแต่เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันไม่ได้ความสุขกับเรามนให้ความทุกข์กับเรามากกว่า <c oughs> เวลาที่เราต้องจากกันไป <c oughs> สอนใจอยู่เรื่อยๆต่อไปใจจะไม่จะไม่อยากได้แล้มีก็มีก็ไม่ยึดไม่ติดอยู่ด้วยกันไปพร้อมที่จะแยกทางกันไป มีอยู่ก็ใช้ประโยชน์ไปมีอะไรที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอาใช้ประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือความสงบต้องเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าได้ตัวนี้แล้วตัวอื่นไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ต้องเอาตัวอื่นก่อน <c oughs> ต้องเอาแฟนก่อนเอาสามีก่อนเอาภรรยาไว้ก่อน เอเงินนอาทองไว้ก่อนแต่ถ้ามีความสงบแล้วของพวกนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาก็ขอให้เอาไปปฏิบัตินะไปควบคุมใจทําใจให้สงบเชื่อพระพุทธเจ้าว่า น, นี่แหละเป็นของที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจของอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว เป็นเหมือนออยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นเหมือนความทุกข์เคลือบความสุขความสุขบางบางเคลือบความทุกข์เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขดีอกดีใจแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วต้องมาทุกข์กับการพัดภาาจากกาันถ้าไม่มีก็ไม่มีความทุกข์หลังนะี้เอาความสุขความสงบก็ไม่ต้องมีอะไรก็จะไม่มีความทุกข์เข้ามาหาใจ ต่อไปร่างกายนี้ก็ไม่ต้องหีร่างกายนี้มดก็พอแล้วไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เพอได้ม า, มาใหม่ก็ทุกใหม่ก็มีแค่นี้แหละนี้ก็ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะแว่ามัอาจารย์เป็นคนที่ตกปัติมดีวกเรื่องอะไรล่ะทุกเรื่องไม่ เออใช่นี่เราไม่ตกจริก็คิดถึงอนนิจังบ้างสิทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดับเนมีอะไรไม่ดับมัางอคิดถึงเรื่องดับใช่ไหมเรื่องดับเรื่องการจากกันคิดถึงอนณตาห้ามของไม่ได้ห้ามเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผลมันจะตกนี่คุณไปห้ามมันได้ปะ ก็ต้องทําใจให้สงบไงเก็ต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบควบคุมใจควบคุมความอยากความวิตกก็เกิดจากความอยากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดี <c oughs> อยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราต้องการ <c oughs> ทีนี้ความจริงมันมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเหมือนฝนฟ้าอากาศ แต่ร่างกายเรานี่เรายังสั่งมันไม่ได้สั่งไม่ให้มันแก่ไม่ไม่แก่ได้นหมแล้วทําำไมเราอยู่กับมันได้เพราะเรายอมรับมันได้ใช่ไหมมันเป็นงงง่วงค่ต้องคอยคุมมันอยู่เรื่อยๆสอนมันอยู่เรื่อยๆฝึกสติอยู่เรื่อยๆตัวสตินี่จะคุมมันได้เวลามันโผล่ขึ้นมาก็พุทโธพุทโธยัดก็อัดเข้าไปเลยอัดพุทโธพุทโธเข้าไปบอกมันหยุดคิดอย่าไปคิดคิดไปแล้วก็เปิดย เสียเวลาเปล่าๆไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดก็คิดแค่นี้ห้ามมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มีอะไรไหมหนูมีปัญหาเรื่องเรื่องกินค่ะท่านอาจารย์ละเรื่องกินไม่ค่ได้อ๋อ เอกเจ้าสอนพระว่ า, าเวลาก่อนจะกินให้คิดถึงสภาพของอาหารที่มันเปลี่ยนไปอาหารเวลามีอยู่ในจามันก็มีหน้าตาอย่างหนึ่งเวล า, ามันเข้าไปในปากก็เป็นไงนึกถึงอาหารตอนที่มันเข้าไปในปากว่างตอนที่มันผสมกับน้ําลายแล้วเราเคี้ยวฟันบดมันตอนนั้นกําลังอร่อยเราอร่อยไม่ใช่เลยอยากจะดูหน้าตาเหมือนก็ลองคายมันออกมาดูดแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ นึกคิดถึงตอนที่มันออกมาก็ได้เอามาทางทางปากก็อาเจียนเอามาทางก้นก็เป็นอุจจาระมันก็อาหารเนี่ยแต่เราไปเปลี่ยนชื่อมันเองท่านจารสอนว่าอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารใหม่ก็คึ้มเข้าไปในท้องหย่งหย่ก็เป็นอาหารใหม่พอออกมาทางทวารหน่กก็กลายเป็นอาหารเก่าก่อนจะเวลาหิวอยากจะกินอาหารก็ให้คิดถึงอาหารเก่าบ้างอาหาร อาหารที่อยู่ในท้องอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานใน่ไหมถ้าคิดถึงอาหารอยู่ในจานแล้วน้าลายไหลถ้าคิดถึงอาหารจะอยู่ได้ในถั่วสมแล้วมันจะไม่อยากจะกินเรียนโฆชนาเกี่ยวกับอาหารเรียนไม่ครบวงจรไงกำลังว่าอาจารย์ไม่กัดกินเร็ว แล้วก็เป็นทุกค่ะกินแล้วก็เครียดเทรียแล้วก็กินนั่ น, นแหละ แ, แล้วร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยน้ําหนักเกินบาหวานขึ้นเพราะนี่แหละไม่คิดถึงเขาจะสอนให้พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้น่าดูหน้ากินอย่างเดียวเวลาอยู่ในจานมันอยู่ในปากมันน่าดูหน้ากิน เลาอยู่ในท้องเนี่ยอาเจียนออกมาแล้วตัดเขาไปกินใหม่ได้มันก็ของอยู่ในท้องเราแท้ๆไม่ส่งเขาปลอกตรงไหนเนาะยอมเป็นแม่ไม่สวยยอมว่างยอมมีความสุขกว่าเขาอะค่ะเขาเหมือนแบบเขาไม่มีความสุขกินแล้วก็ไม่สุกสวยแล้วก็ยังไม่สุขไม่รู้คืออะไรคือความอยากไลยไม่พอใจไม่อิ่มเลยใจไม่อิ่มใจไม่มีอาหารให้แต่ให้แต่ให้แต่กิเลสอาหารกิเลสเลี้ยงแต่กิเลส ชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่หาแต่ก็ไม่สุขก็เลยทำยังไงให้เขาสงบสุขสวดน้อยไปไงต้องสวดทั้งวันสวดทั้งวันเนี่ยสวดสวดอะไรนะสวดธรรมจสวดแล้วก็ยังคุกแล้วก็กินกินแล้วก็สวดไปก็คิดถึงอาหารไปใช่ไมถ้าอย่างน้นก็ไม่ไม่มีวันที่จะใส่ไปจะกินไป ไม่มีใครส่งเหตุแล้วก้มใจแทนเขาฮะข่าวลือที่ไม่จริงก็รูกตามความจริงว่าไม่จริงอก็คือข่าวคือปากของคนเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดจริงหรือไม่จริงนี่มันเป็นปากของเขาเราฟังเราฟังแล้วเราอย่าไปดีใจเสียใจกับเรื่องที่เราได้ยินมา เรต้องคิดว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเขาไปวิาพากษ์วิจารณ์เราต่างๆนานาที่ไม่ตรงกับความจริงเราห้ามเขาไม่ได้ที่เราทุกเพราะว่าหนึ่งเรากลัวคนอื่นจะเชื่อเขาแล้วจะทําให้เราเสียเพื่อนเสี ย, เ ส, ยเสียหน้าเสียตาเราต้องยอมรับว่าของพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเสียก็เสียไป เสียอะไรก็เสียไปขอให้รักษาตัวเดียวไว้คือใจอย่าเสียใจกันแล้วกันถ้าไม่เสียใจแล้วไม่เป็นปัญหาเพราะของที่เราเสียนั้นเป็นของปลอมทั้งนั้นของไม่มีสาระทั้งนั้นอย่าเสียใจตัวเสียใจเนี่ยเป็นตัวตัวตัวตัวร้ายกาจของเราที่มันเป็นภัยกับเราคือความเสียใจเสียเกียรติเสียอะไรไปปล่อยไปแต่มันช่วยไม่ได้ของพวกนี้มันเป็นเหมือน แผ่นกระดาษมาปาไว้ที่ที่ที่หน้าอกแล้วเอากระดาษมาปาแล้ววันนี้เป็นนายร้อยนะแล้วแล้วพออีกหน่อยเขาเอากระดาษแต่งมาปาดเป็น 9, นายพันอย่างเงี้ยหรือมีกระดาษมาปาว่าดีไม่ดีบางทีคนก็ล่อมเลยว่าเราดีทั้งทั้งที่เราไม่ดีเราก็ดีใจไปกับเขานะเพราะเราชอบของปลอมด้วยกันถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีแล้วใครมาว่าเราดีเราจะไม่ตื่นเต้นดีใจ พราเรารู้เราไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราดีใครจะว่าเราไม่ดีเราก็ไม่เดือดร้อนอ่ะเนี่ยเราต้องมีความจริงจริงใจอยู่กับความจริงเข้าใจ ถ, าถ้าใครเขาพูดว่าเราไม่ดีแล้วเราไม่ดีตามที่เขาพูดเราต้องยกมือไหว้เขารู้ปะ่ะเพราะเขาเหมือนเขาชี้ขุมทรัพย์บอกเราว่าเนี่ยนี่คือข้อบกพร่องของเราบางทีเรามองไม่เห็นเราไม่ชอบมองส่วนที่ไม่ดีของเรา ความดีของเรานี่แม้จะเท่าผงทุลีนี่เห็นเหมือนกับเป็นกองภูเขาแต่ความไม่ดีของเราแม้จะเท่ากองภูเขากับเห็นว่าเป็นผงทุลีเนี่ยใจของเรามันตอมคนนี้มันไม่อยู่กับความจริงมันชอบยกตวเองคิดว่าตัวเองดีเสมอทั้งที่ทำอะไรผิดมาเยอะไม่ดีมาเยอะมองไม่เห็น ฉน้นต้องพยายามฝึกหัดเป็นคนคนจริงอะ่ะต้องมองความจริงอยู่กับความจริงแล้วเรื่องของคนอื่นใครก็จะสรรเสริญนินทานี่เราห้ามทำไม่ได้เป็นโลกกะระทำราแฉะนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีคนดา่าคนว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เดือดร้ายไม่หวันหว่นไหว ก็มันเป็นสิ่งที่ท่านรู้ว่าห้ามไม่ได้แล้วท่านไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับท่านถ้าใจเรามีความสงบนะมีความสุขในใจแล้วไม่สนใจหรอกใครจะชมใครจะด่าก็เป็นเรื่องนมปากเขาชมก็ไม่ได้ทําให้ความสุขที่เรามีอยู่ในใจเราเพิ่มมากขึ้นด่าก็ไม่ได้ทําให้ความสุขที่เรามีอยู่มันลดน้อยลงไปพรไม่มีตัวนี้กันใจเราเลยไม่หนักแน่นเข้าใจ ใจเราเลยเป็นเหมือนอเหมือนอะไรปุวยปุยนู่นปุยนู่นนี่ลมลมลมพัดเบาๆมาก็ปิวไปละสำลีอย่างเงี้ยถ้ามีความสงบแล้วมันจะเป็นเหมือนก้อนหินมันจะเฉยนมจะพัดมาแรงขนาดไหนหินมันก็ไม่กริ้งนะต้องมาฝึกขัดทำใจเราให้หนักแน่นให้จริงจังให้อยู่กับความจริง อย่าไปอยู่กับความหลงพวกเราชอบความหลงกันใครมาบอกว่าเราสวยทั้งๆ ท, ท, ที่หน้าตาไม่ดีก็ยังดีใจเลยยังยิ้มเลยข <c oughs> นเป็นตัม่มก็บอกขนสวย <c oughs> <c oughs> ยังชอบเลยฮ่าฮ่าฮ่า เราต้องมาสุดใจตอนนี้ใจเรามันไม่มีหลักม่มีเกณฑ์ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวมันมันไปติดกับลาบยศสารเสริญแล้วพอเสื่อมลาบยศสารเสริญก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีจำไหมสังเกตดูเวลาเสียเงินเสียทองไปขโมยขึ้นบ้านนี่โอ้โหล่ำห่มร้องไ ห, ห้เสียอกเสียใจกันเวลาถูกเขาปดย้ายโยกย้ายตําแหน่งหน่อยนี่วุ่นวายกันไปหมด <c oughs> เพราะเราไม่มีที่พึ่งทางใจกันเราเลยไปพึ่งของที่มันมันมันไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับเวลาขึ้นก็นดีใจกันเวลาตกลงมาก็โอโ้เสียใจกันแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจมีความสงบแล้วไม่เดือดร้อนอย่ากจะต้องมาปฏิบัติทำกัยอมเหนื่อ ย, ยอเอาหน่อยนะไม่กี่ปีตั้งใจเอาจริงจรงจังๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่เกินเจ็ดปี เจ็ดปีแล้วมี ม, มีมีหลักมีเกณฑ์แล้วสบายใจไม่วุ่นวายไปกับใครทั้งนั้นเราอยู่กันในโลกที่มีขึ้นมีลงเรามายึดไปติดกับของที่ขึ้นขึ้นลงๆใจก็เลยขึ้นขึ้นลงๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆเ <c oughs> วลาได้ยินสรรเสริญก็ดีใจอย่างแม้ว่าเป็นข่าวข่าวไม่จริงแต่ถ้ามันดีถูกใจเราก็ยังชอบเลยใช่ไหม มันถ้าเป็นข่าวลือข่าวลือที่เป็นจริงแต่ที่เราไม่ชอบเราก็เราก็ทุกข์เลยถึงขอนห้มามามาประหัดทําใจให้สงบกันไม่ยากหรอกขอให้เราทำกันเถอะง่ายจะตายไปนั่งเฉยเฉยมันจะยากขนาดไหนไปเที่ยวมันยากกว่าตั้งเยอะไปเที่ยวนี่ต้องหาเงินหาเพื่อนหาอะไรหาที่เที่ยวเห็นไหอ นั่งเฉยๆอยู่ก็ บ, บ้างเน่ยนั่งเฉยๆนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปแค่เนี้ยมันไปยากตรงไหนพุทก็ทำมันก็ทํามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่โดดเองอ่ะใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยเหมือนกับเราหันเล่นดนตรีใหม่ๆเล่นไม่เป็นอ่ะเนี้ยก็เล่น ห, หัดหัดเล่นไปเรื่อยๆเล่นเป็นโนก็หัดเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวไม่นานมันก็ชํานาญเองอ่ะเหมือนกับพิมพ์ดชเนี่ยหัดพิมพ์ดีชตอนๆก็จิ้มไปที่นิ้วสองนิ้วก่อน ต่อไปมันก็ได้ไใจพอเริ่มเข้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์เริ่มรู้ว่าวิวธีการกระ ท, ทําทํำยังไงมันก็เริ่มถนัดพอมันถนัดแล้วมันก็ง่ายเลยใหมๆมันก็เหมือนกับเราเคยใช้มือขวาแล้วเราหัดใช้มือซ้ายเนี่ยมันยากไหมนะแต่เมื่อเราเคยถนัดมือขวาเนี่ยแต่เมื่อมือขวาเราเสียเนี่ยต้องใช้มือซ้ายจะทําไงยากก็ต้องทำอํำใช่ไหมแล้วทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ง่ายคนบางคนไม่มีมือใช้เท้าอะ บางคนใช้เท้าวาดเขียนสวยกว่าคนใช้มือวาดเลยมันไม่ได้อยู่ที่เท้าหรือที่มือมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สั่งให้วาดก็ได้แล้วก็มีก็มีวิธีก็รู้จักวิธีวาดจะใช้มือขวาก็ได้มือซ้ายก็ได้ใช้เท้าก็ได้เพราะใจร่งางกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองนั่งเฉยๆก็เป็นการทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํากัน ใจเราชอบวุ่นไปชอบทํานู่นทํานี่อยู่ไม่เป็นสุขไงอยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉยเฉยแล้วมันทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักวิธีทําให้มันเฉยถ้าทำแล้วมันเฉยแล้วต่อไปมันไม่อยากจะทําอะไรอยู่เฉยเฉยมันสบายกะตายเลยเนี่ยวัน น, นึงเราไม่ทําอะไรเชื่อไหมเท้าก็เขาไปหาข้าวกินนั่นแหลเสร็จแล้วก็กลับมาพักผ่อนหลับนอนบ่ายก็มาคุยกับญาติโยมก็ทํอย่านี้มาไม่รู้ตีตีแล้วเนี่ย ก็เหมืนเมืนเมืนเดือดร้อนอย่างไรสบายตายเลยกลับมาเลยอยางได้หนังสือมหมมีหนังสือใหม่เนี่ยตอบปัญหาคาใจใคอยากจะได้หนังสือก็มาเน่ยาเนคามสุขขปลกของาหาร่งเนี้ย ก็ยังไม่อ้วนนี่ไม่เป็นไรหม <c oughs> อครับจะเดินทางว่ไหร่หมอวันศุขร์วันศุขจากที่นี่วันสุกร์แต่เตรนยเป็นวนันวันอุกร์จะไม่ได้เจอกันนั่นเลยหมอะจะไปบวชชีแล้วไปนั่แปร่แพร่ เมชีอาจารย์เขาอยู่ที่ไท่ทแบบยังไเมชีนี่เขาจะได้รหัสศูนย์ศูนสี่เป็นลู ก, ล ก, ลกสีกส่คนที่สี่ที่ไปบวชชีศ0น0์ศูนย์หนึ่งศนสองศูนย์สามศย์ศนสอคนนี้คนที่สี่ แต่ยังอย่าไปอย่าไปบวดเดือนนึงแล้วกลับมานะขายชาวบ้านก็นีย่ยหนึ่งบวดเดือนอย่ามาที่นี่นะเราจะให้รหัสกันะะให้รหัสนี้หมายความไม่ให้เสดกลัว ถ, ถ้าถ้าเสจขอคืนนะ <c oughs> แสดงว่าเรามีเพื่อนเยอะเนี่ยนะจะไปอย่าให้ใคร่าไปด้วยเกิับพีกนาต10ตัวเหรอ10แมใหม่20อเจะไปบวดได้งไงน่หมาจะไปวดได้ยังไงแล้วทำไง เอาหมาไปบวดด้วยนะแฝงมาให้นะเกิดอ่ะอนที่หนูเก็บตัวหนูเอาตัวตัวผู้ไปฝากเขาว่าเอาออมาฝากเขาแป๊บเดืยนได้ในสองข้อตอนช่วงที่เขาเก็บตัวนะเราจะทำไงนะไปบวดแล้วเก็บตัวนี้ก็ยาไปด้วยนะ สา ว, ก, วก็เลียงอยู่แต่หนูกถามสามที่พี่น้ว่นานี่เนี่ยอเองหางหรือยังเายืนการแจงขันไม่เอาแอต่เฮ้อกว่าพี่สาวก็เมาสิหนูบอกว่าปกติ ต, ตั้งใจตัวก็สามพันเจนะนีมาตั้งสิตัวได้กั 3, นสามหมื่เนี่ยต้องเอาไปให้ลูกผู้พันเนี่ยลูกอะไรนะผูะ้กำกับนะ <laughs> ก็เห็นว่าดีใจยตัวเดียวจบแล้วเวลาจะถามไหมเวลาจะบอกเรื่องท่านคณะโทรสารงานงานานแล้วนับโทรศัพท์คือว่าของว่าของโทรศัพท์ก็คือความอยากความอยากได้อะไรดังใจ ทำอะไรชอบทำนะให้มันได้ดังใจอยากพอไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะโกรธขึ้นมาแล่ววิธีก็คือต้องลดความอยากลงคืออย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำํำอะไรก็ทําไปแล้วก็บอกสอนใจไว้ว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าเป็นว่าต้องได้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้น พอถ้ามันไปถูกมันแล้วพอมันไม่ได้มันก็จะโกรธขึ้นมาไม่จะเสียใจโสดเกี่ยวกับอนาคตของลูกก็นั่นแหละก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอลูกมันไม่เป็นแล้วก็โกรธเสียใจเราต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปไปสั่งมันได้เสมอบางครั้งก็สั่งได้บางครั้งก็สั่งไม่ได้บางครั้งก็ห้ามได้บางครั้งก็ห้ามไม่ได้ ถ้าไปเจอของที่สั่งไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ต้องทําใจเวลาโกรธต้อหัดท่องพุโทโธพุทโธไปก่อนยุดอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอหายโกรธแล้วก็มานั่งสอนใจว่าเนี่นะเป็นอย่างเนี้ยเราอยากจะให้มันเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เป็นพอเขาไม่เป็นเราก็โกรธแล้วใครรับเคราะเราอเป็นคนรับเคะ แล้วคนโกรธเนี่ยเป็นคนทุกข์เขาไม่ทุกข์หรอกถึงเขาจะทุกข์หรือเขาจะไปทำอะไรเสียหายต่อไปนานนะก็เป็นเรื่องที่เราห้ามเขาไม่ได้เราต้องสมมุติบ้างว่าเวลาเราตายไปแล้วใครจะมาห้ามเขาเละใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้จักห้ามตัวเขาเองนก็ไม่มีใครห้ามเขาได้ถ้าเราทำได้อย่างมากก็บอกเขาสอนเขาหรือว่านี่ทําอย่างนี้ไม่ดีนะ ทำไปแล้วเกิดโทษตามมานะถ้าสอนแล้วแล้วเขาจะเชื่อเราไม่เชื่อเราก็หมดหน้าที่แล้วเราจะไปหลงรักเขามากเกินไปไคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเข้ามาใสา่อยู่กับเราผ่านท้องเราเขาจะนะลูกเราเนี่ยตัวดวมวิน ญ, ญ, ญาณเขาที่มาเข้าในท้องเรานี้มาจากไหนเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้มาจากเราเนะี่ยตัว ใจเขาเนี่ยดวงวิญญาณเขาเนี่ยเขามาอาศัยร่างกายที่เราสร้างขึ้นมานในทองเนี่ยแล้จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปทําะไรตามใจอยากของเขาเห็นเขาไม่ฟังเราหรอกเขาจะทําตามใจอยากของเขาถ้าเขาเคยชาดก่อนเ้าเคยอยากดื่มเหล้าเขามาเกิดชาดนี้เขาก็อยากดื่มเหล้าแต่ถ้าเขาอยากจะไปเล่นการพนันเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้ต่อ เขาก็อยากจะไปบวชพระก็เหมือนกันเขาก็จะไปบวชพระแต่เราห้ามเขาไม่ได้อย่างพระพุทธเจา้าท่านอยากจะบวชพระเนี่ยพอท่าน ม, มาเกิดเป็นเจ้าชายศิทษฏะพ่อไม่อยากให้บวชพ่อก็ทุกข์แต่ก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลาท่านก็ไปบวชทั้งท่านเลยดังนั้นเรื่องของบุญกรรมของเขานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ เราได้ทําได้อย่างมากก็บอกเขาท่านเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็คล้ายว่าหวังว่าถ้าเขาเชื่อเราเขาก็จะได้ปลอดภัยได้ความสุขแต่ถ้าก็ไม่เชื่อเราก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะทุกคนมีบุญมีกรรมติดตัวมาบุญก็คือนิสัยดีกรรมก็คือนิสัยไม่ดีติดตัวมา นิสัยชอบทำบาปก็จะกกัมนิมสัยชอบทำบุญก็เรียกบารมีเห็นแต่ละคนมีมีบาบมีบุญนี้ติดตัวมากันทุกคนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปไปแก้หรือไปเปลี่ยนได้นอกจากตัวเขาเองตัวเขาต้องต้องรู้ว่าไม่ดีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนได้เช่นถ้าเขารู้ว่าหนึ่งสุราไม่ดีเป็นโทษกับเขาเขาก็ต้องหักห้ามจิตใจเขา เพราะการที่จะหักข้ามจิตใจนี่มันยากตัวเขาเองก็บางทีก็อยากจะทำตามที่เราสอนนี่ตามที่เราบอกแต่มันยากสำหรับเขาเขาทำไม่ได้เขาถึงไม่ได้ทำเราต้องเข้าใจหลักนี้ว่าเรื่องของคนอื่นนี่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามได้เสมอเราทําได้อย่างมากก็บอกเขาเท่านั้นเองบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดี ส่วนตัวเขาเขาจะไปทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของเขาแล้วก็ให้คิดอยู่ว่าทุกคนแม้ที่สุดก็ต้องตายจากันไปโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวทั้งเขาและเราเราไปวุ่นวายกับมันมากทําไม วุ่นวายไปให้พยายามทําให้ร่างกายนี้มีชีวิตชีวาที่ดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ตายปล่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าตามบุญตามกรรมของของแต่ละคนถ้าเขามีบุญเขาไปดีองถ้าเขามีกรรมก็เขาก็ต้องไปไม่ดีไปรับใช่กรรมของเขาที่เขาทําำมาทีนี้เราจะไม่ค่อยโกรธอาจารย์ไหม มากคายโยนองสามีคนกลไม่บอกทุกคนเป็นย่งงนั้นอ่ะยุคใหมุ่่นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างที่จะสอนยากนะเพราะว่าเริ่มอยากจะเป็นตัวของตัวเองเราต้องพยายามให้ความรู้เขามากๆท่านเป็นอาวุธที่เขาจะได้ไปใช้นำพาชีวิตของเขา ถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยเราบกขร่อเราต้องบอกอะไรไม่ดีเช่นยาเสพติดไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีเที่ยวกลางคืนไม่ดีสิ่งที่ดีก็คือเรียนหนังสือเรียนพิเศษไปโรงเรียนทำการบ้านออกกำลังกายไปวัดไปวัดไปทำบุญไปบวชเป็นเลนบวช อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ดีทำแล้วจะเกิดประโยชน์สุขขึ้นมา ก็บอกได้ทั้งนี้คนหนึ่งโยมก็ต้องพาก็าหาสิ่งที่ดีๆอย่าพาไปหาสิ่งที่ไม่ดีอย่าพาไปเที่ยวแถมพัทยาใต้เงี้ยไปเห็นแถวพัทยาใต้เดี๋ยววิญญาก็แตกกันพาเข้าวัดกันพาไปปฏิบัติธรรมกันพาไปทําบุญใส่บาตรอยู่บ้านก็ชวนกันไหว้พระสวดมนต์ น, นั่งสมาธิกัน ควรจะทำเป็นกิจกรรมของครอบครัวมิสดเข้าวัดบวชวชตั้งแต่เล็กๆแต่เรื่องให้ให้แยแเรื่องเล่นเกมนี่ยยากไม่ได้ยากยาเวลาทห้เป็ดเบิรเล่นนี่ยเนี่ยปัญหาปัจจุบันเป็ยหญสทุกบ้านแต่แองเออ์ดีหมดเลยลูกชายทำงานก็ยังเล่นยังเล่น อย่นยนงนอนดึกอย่างแรกเราก็บอกว่านอนดึกมันไม่ดีนะสุยภาพเสียแล้วก็แค่นั้นเชื่อมเชื่อกั น, นแทต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีถ้าเขายังไม่ขึ้นนอนเข้าะยังไม่หลับยอมเขาหับไม่ได้ <c oughs> ไรเราจะลุกลับเองกัก <c oughs> ่อนหลััะงั้นเดี๋ยวเล่นยา ต้องมี ม, มีที่จับเวลาตัดไฟทั้งบ้านแต่นสีท <C> e <at> ุ่มไฟดับทบ้านเลย <C> e <at> มีอะไรแล้วมันทุกเมื่อ <C> e <at> อยู่ตัวคนเดียวไม่เอาอห่ <c oughs> <c oughs> อยากจะมีแฟนมีสามีอยากมีลูก <c oughs> มีลูกัะอย่างเงี้ยเห็น <c oughs> รู้งี้ไม่มีดีกว่านะพระพรก็เตืองเเคยบดชีพากตอน1 8แปดปีเก้าสามุทุกคนโลมีก็ครัวบดแต่แต่สู้คำสัยกของพระสู้กิเลสไม่ไหวนะกิเลสมันแรงกว่ารู้แล้วพระที่หลบก็เสือตั้งหาความอยากยังไม่สายนะโยมเล่นมา ปฏิบัติทำดีกว่าแล้วมันจะติดไปกับใจเราชาติหน้าเราจะได้ไม่อยากจะมีครอบครัวคนบางคนที่ก็มาเกิดแล้วเขาเป็นอยู่เป็นโสดได้ก็เพราะว่าใจเขาไม่ปัญหาไม่แรงความอยากไม่แรงเพราะเขามีความสงบเขามีความสุขในตัวเขาเองเขาเลยไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกทําได้ไม่สายเราถ้าไม่ทํามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกภพกทุกชาตนะิถ้าเริ่มทําแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้น ภพชาติมันจะน้อยลงน้อยลงไปแล้วต่อไปมันก็ไม่อยากจะไปเกิดนะยามฝึกทำเ้นลยไม่ไม่อดีตฐานต่อภพชาติ<แ>ต่อภพชาติก็ต่อความทุ ก, กข์แหะพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมาเจอปัญหาแบบแบบเนี้ซ้ำซ้ำซากซากอยู่เรื่อยๆอมันเป็นลูกมันเป็นลูกโซ่ไงได้สิ่งนี้มามันก็ต้องได้สิ่งนั้นตามมาได้สิ่งนั้นตามมาก็ได้สิ่งนั้นตามมันก็เป็นลูกโซ่เลย เราต้องตัดที่ต้นต่อเลยตัดคือความอยากพอตัดต้นความอยากไอ้ลูกโซนทั้งหมดนี้มันจะหายไปหมดถ้าตัดความอยากไม่ได้มันก็อยากมีนู่นมีนี่มีนู่นมีนี่แล้วก็ต้องมีนู่นมีนี่ต่อมันก็ต่อไปเรื่อยๆเราอยู่คนเดียบนี่ใชเป็นเพราะเราเขียนมาอานถึง่าหรอคะอ๋อให้เราจอด การถ้าเราสวยขนาดไหนถ้าเราไม่เราใจเราไม่อยากได้แล้วมันก็อยู่คนเดียวที่ที่อสุภานี่อาจจะเพราเคยไปทำบาปทำกรรมวิบากรรมมันยังติดค้างว่ะไม่จริงคนะ่ะแยกกับหมอยังได้คู่อีกคู่ไม่ใช่สุพานแม่หนูให้กำลังใจฉันเรียนจบ ก็ดีไปอย่างเนะ้ยอาจารย์คะลูอยากถามว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าวัดประมาณปฏิบัติทำร้อยละเก้สิบเก้าเปอร์เซนที่หนูเห็นมาไม่ว่าวัดไหนแต่ทําไมหาคนที่แบบซักเซสในการปฏิบัติมันมันน้อยอย่างเงี้ยก็มีสองส่วนคือคนตคนปฏิบัติเองกับคนสอนถ้าคนสอนสอนไม่เป็นสอนไม่ถูกก็ไม่มีวันที่จะสําเร็จได้สอง คนที่ไปเรียนก็ไม่ได้เรียนแบบเอาจริงเอาจังมันก็มันก็ไม่ได้ผลมันต้องได้ทั้งสองอย่างคนสอนต้องเป็นคนรู้จริงๆเป็นเป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเอาลูกชายไปบวชตั้งแต่อายุหกขวบพระราหุนไม่กี่ปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ข้อสําคัญคนสอนนี่สําคัญมากคนสอนต้องเป็นคนที่รู้จริงเห็นจริงเพื่อสอนได้ถูกต้องแม่นยำ และคนปฏิบัติก็เชื่อฟังแล้วก็เอาจริงเอาจังต่อคำสอนอย่างนี้ก็ก็จะได้ผลกันแต่สมัยนี้หาคนสอนที่รู้จริงเห็นจริงน้อยมากมนจะมีมม า, าสอัอะไรน่นแหละแต่เป็นมันมันไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยถ้าไปถ้าไปศึกษาดูจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่กับแถวพวก<ม>พิธีกรรมต่างๆอะไรต่างๆอยู่ขั้นระดับทานแค่เป็นส่วนใหญ่ ขั้นภาวนาก็ภาวนาแบบไ ม, ไม่ไม่ลึกซึ้งอะ<ม>่ะขั้นแค่ขั้นสมาธิพวกงี้จะให้ลึงนี่ต้องอยังไงต้องปีกยเ้อไปอยู่ในป่าขาย <c oughs> ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่าน ร, ร, รู้รู้รู้รู้ครบท่วงขบวนการ<ม> <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าในเขาก็ต้องไปศึกษากับผ้าป่าย่เงี้ย เพราะผ้าป่านี้ท่านจะศึกษาจากพระธรรมคําสอนพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติจนท่านได้ผลท่านได้ผลแล้วใครมีศรัทธาไปศึกษากับท่านท่านก็สอนแล้วเขาก็ไปปฏิบัติเขาก็ได้ผลตาม ม, ามีมีผู้ที่ไปปฏิบัติ ก, กับครูบาอาจารย์แล้วได้ผลมีอยู่แต่อยู่ในสายสายผ้าป่าถ้าเป็นสายผ้าบ้านนี้แทบจะไม่มีไม่มี ลองไปลองไปสัมผัสกับสังคมของพระป่าหรือวัดป่าดูนะเออแต่ก็ต้องเป็นวัดป่าที่อ่อถ้าแบบวัดป่าที่จเจริญแล้วมันก็จะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปอ่ามันไปอย่างงั้นไปถึงแม้ครูบาอาจารย์ท่านจะดีวิเศษงเงานแต่ท่านอาจจะจากไปแล้วหรือว่าท่านอยู่ในในขนาดชราภาพแล้วท่านไม่สามารถที่จะมาเทีเ่ยวเข็น สั่งสอนได้แล้วต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ยังไม่มีชื่อเสียงอย่างสมัยที่เราไปอยู่กับหงตานั้นตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีชื่อเสียงมากคนรู้น้อยคนเข้าวัไม่มากสมัยที่เราไปอยู่ใหม่ๆวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาไม่มากคนจากในเมืองขับรถเข้ามาไ ม, ไม่ไม่กี่คันรถวันธรรมดานี่ไม่มีเลยมีแต่ชาวบ้านดังตอนนั้นแหละท่านท่านจะมีเวลา สั่งสอนอบรมแต่จะไปเรียนกับท่านนี่ก็ต้องสอบเอ็นท่านก่อนนะถ้าถ้าไม่ถึงขั้นท่านก็ไม่รับนะอ่ะเห็นยมันต้องอยู่ทั้งคนปฏิบัติกับคนเรียนกับคนสอนด้วยมีอะไรอไหมได้ไม่ดีจะให้พเนะ ยะถาวาริวาหาปุราภิริปุเรนติสาคขาังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏชิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุ สัพพโรคโควีนั ส, สตุมาเตผวะทวันตรายูสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธานสีลิบสานิจังวุธาปจายโนยะตาโรธรรมะวัานติอายุวโนโสุขังทารังท่าจารย์คะ เพิ่งมาครั้งแรกค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าอยาก่กให้พระอาจารย์แ้ทนำในการปฏิบัติของลูกค่ะเดี๋หนังสือปฏิบัติบูชาไม่อาเนี้ย <c oughs> เพราะเพิ่งเพิ่งเทศไปหยงหยงย้ห้เทพซ้ำอีกเนะ่ยอนลูกขับรถหลงอยู่เกือบชั่วโมงเลยแต่เอาเอาซีดีไปฟังเนี่เหมือนมีเยอะแยะเลยฟังแผ่นซีดีหนังสือเนี่ยถามเรื่องปฏิบัติใช่หปฏิบัติบูชาตะกีกาแล้วก็น่เดี๋ยวที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะ ไปเรียนกับผู้รู้จริงๆนี่เราจะรู้ได้ไง ว, ว่าท่านไหนรู้จริ ง, เ ร, งเราเวลาจะเข้ามาลเราทาไงอ่ะสอบนเราจะรู้ว่มามาายไหนดีไม่ดียังไงอ่ะต้องหาข้อมูลเออนั่นแหละก็หาข้อมูลศ <c oughs> ึกษาไปเนี่าายเข้าไปใน Google ก็ได้ใส่ชื่อผ้าป่าสายผาจั์มันเข้าไปก็โผล่มาเยอะแยะแล้วหนูกกลับมาจัูก็ก็ดีเี้แต่ว่าที่ผคท่านไม่ค่อยให้พักอาศัย อหก็เลยจะไปวัดพระพุทธบาทอยู่เรา้น <ไป S 1> ลองดูทด ล, ลองดูหาไปเรื่อยๆตอนที่เราบวชเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้จะไปไหนเขาแนะนําว่าไปวัดหลวงตาเราก็ไปแล้วการที่เราหาไปเรื่อยๆนี่มันมันดีนอะค่ะอ่าเหมือนเปลี่ยนเมืนเปลี่ยนครูบาอาจนะอรารย์ไปเรื่อยๆก็ยังหาของไม่ดีก็ต้องหาไปเรื่อยๆก่อนถ้าคุณเจอของดีแล้วคุณก็หยุดทางใช่ไหมเหมือนหาที่เรียนเนี้ยคุณจะไปเรียนที่ไหนอ่ะ ไปสมัครที่จุลาเขาไม่ให้เข้าก็ต้องไปธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่้เข้าก็ต้องไปรามคาแหงไปที่ไหนจนังกาเขาจะรับทักที่นเล้ก็ตอนนี้มีที่รับแล้วแต่ว่าก็าต้องอยู่ไปสักพักมีเก็ต้องศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ตรงนี้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมันก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมถ้าเป็นศิษย์หลวงปูม่มานี่โอกาสที่ว่ามันจะมีคุณภาพมันเยอะก็หนูเพิ่งจะกลับมาฝกวัวมาวัดป่าเลย นาท่านก็ให้หนังสือหลวงตา ม, มหาบัวอะไกใจว่าหยังไม่ได้ทาบุญอะไรกับท่านเลยท่านมาถึงจนให้หนังสือหลวงผูกวงอะหลวงูกหลวงตามหาบัวกับหลวงูกเปื้อนามาสองเล่มอ่ก<า>็ท่านแจกไงธรรมะเราก็แจก <c oughs> เร่องทบุญไม่ทาบุญนี่ท่านท่านไม่สนใจไงท่านมีหน้าที่ให้ธรรมะกับพวกเราเรามาหาท่านท่านก็ให้ธรรมะไปแล้วเราไปอ่านดู หนังสือปฏิบัติบูชาเนี่ยสอนวิธีเดินยองคมนั่งสมาธิของน้องตาของน้องตาถ้าหนูอ่านจบแล้วหนูให้วัดได้ใช่ไหมคะอ่ก็แล้วแต่หนูไปของหนูนี่ที่แอนพี่เขาฝากมากับพระาจารนะเขาโทรมาแล้วพี่ว่าเขามาเขามาเป็นประจำแต่อาจารย์ะจำเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักชื่อคนที่มานี่เราไม่รู้จักชื่อ ใครมาถามชื่อก น, นั้นวันนี้ผมไม่รู้เป็นใครภาพไม่ดูยัง <c oughs> จะรู้าว่าผู้ชายนี่ก็ต้องต้องมาทำความรู้จักกันก่อนมาสนิทสนมกับพระก่อนเพราะที่นี่มันที่อยู่ของพระ <c oughs> ถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาไม่รู้อหนุย่ยไหนเดี๋ยวมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ <c oughs> ่ ก็พระบนเขาเนี่ยมากุยกับพระท่านบ่ายสี่โมงท่านจะมาฉันน้ำฉันที่นี่กำลังไปไปนั่งสนทนาไปถามแล้วทุกสุขดบดูว่าท่านอยู่กันยังไงเขาจะมาอยู่ได้ไหมอะไรก็ได้นี่ก็ เราไปถามพระดูเพราะถ้ า, ท, าท่านจะรู้ว่ามีที่ว่างหรือไม่ว่างแล้วอยู่กันแบบไหนอย่างไร <c oughs> ไม่ต้องจองมาถึงถ้าว่างก็อยู่ได้ถ้าไม่ว่างก็อยู่ไม่ได้แล้วช้าก็มันออกติดตามบินสบายก็ไปคุยกับพระก็ดูบ้าเาพรามันมีอยู่ได้หลายรูปแบบจะไปติดตามก็ได้บางทีไม่ติดตามก็ได้ไม่ได้บังคับ <c oughs> ต้องแบ่งภาระให้พระเขาช่วยจัดการเรื่องนี้บ้างเพราะเราไม่อยากจะเหนื่อยกับการพูดทุกเรื่อง ขอเอาแต่เรื่องปฏิบัติดีกว่าเรื่องอย่างอื่นก็เนี่ยให้ไปทางผู้หญิงก็ไปโทรไปคุยคุยกับคุณปุกท้งผู้ชายก็ไปคุยกับพระเรื่องที่สัก <c oughs> โอจะทำให้เราเราทำหน้าที่ทุกหน้าที่เลยเนะทุกคนแนกเลย <c oughs> แล้วนะไปได้แล้วลนะ่ะอนุญาตไ้กลับได้แล้ว <c oughs> คือว่าปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ปฏิบัติบูชาในการส่วนใหญ่บางคนแล้วแต่จุดเด่นบางคนชับนั่งสมาธิมองว่านั่งสมาิได้บุญมากเป็นมหาบุญถ้าไปสวดมนต์กับนั่งสมาธิเขาก็จะเลือกไปน้างสมาธิมากกว่านะคะแต่สิ่งที่หนูสงสัยก็ว่าอย่างเพื่อนหนูที่เขาปฏิบัติกันนั่งสมาธิกันทีสามี่ชั่วโมงเขาก็จะมามาเติงเราว่า จะไปสวดมันทํธมายบุญมนต์น้อยนั่งสมาธิอีกกว่าเนี่ยแต่ทีนี้จิตของลูกอะมันแล้วแต่ันูมองว่มันแล้วแต่จิตคนจิตเราชอบสวดมนด้วยเดินจุ่กลมด้วยนั่งสมาธิด้วยเนี่ยที่ในสาในสามแอคทิวิตี้ามกิจกรรมเพื่อนหนูก็จะเลือกนั่งสมาธิทั้งสี่ชั่วโมงในขณะที่หนูจะแบ่งปรึาเลยะาอาจารย์ว่าถ้าเราจะยังไงมันถึงจะเหมาะเออมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับจิตของคนเนาะสองขึ้นอยู่กับภูมิธรรม คุณระดับจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฉนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบการปฏิบัติของเขากับของเราได้เราต้องดูความเหมาะสมของเราว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลดีอย่างไ ร, รแล้วก็เพื่อนเขาจะชอบบอกลูกว่าไม่เธอไม่เหมือนเราไม่ฉลาดทำไมเราไม่นั่งสมาธิแค่สี่ชั่วโมงจริตลูกมันั่งได้แค่เดืนเป็นพี่จึ่งชั่วโมงมันก็ต้องถอนศรัทธาสิครเพราะว่าเพราะว่าลูกชอบปฏิบัติแบบตามเวลาว่าเดินครึ่งนั่งครึ่ง สวดมนต์นี่อาจจะสองชั่วโมงก็ได้แต่สวดมนต์นี่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไปกัเกณฑ์ะแต่ถ้าเป็นเดินขอนขให้ดูผลจากการปฏิบัติของเราว่าอันไหนได้ผลดีแล้วออย่างนี้ใช่เรารู้สึกเหมือนว่าเราหลงปิจิหรือเปล่าแต่มันยังต้องมีต้องัต้องมีการปฏิบัติมากกว่านี้นี่เป็นยังอยู่ในขี่ขึ้นเป็นแต่ละวันไม่ทัานของธของการปฏิบัติมันต้องมันต้องมีอย่างอื่นอีกมันต้องมันต้องออกทางปัญญาอีกดัง ต้องเห็นใจรักเหนาริยสัจสี่พิจรณาใจนักพิจาณ า, า, ย, ย, ย, ายสัจ ต, รตเราพิจารณาตอนนั่งตอนนั่งพิจารณาไม่ได้ต้องตอนที่ไม่อยู่ในสมาธิตอนที่เราไม่ได้การน่สมาธิเพื่อหยุดคิดเนี่ยเพราะนั้นเราไม่คิดเวลาออกจากสมาธิแล้วพอเริ่มคิดแล้วถึงมาพิจารณาได้เหนีปัญหาเรานั่งสมาธิมีอาการพวกเมืนั่นก็เกิดจากว่าเราขับควไ ม, ออม่พอหรอไม่าากินมากเกินไป พวกผูกปฏิบัตอิอย่างน้อยต้องถือศีลแปดต้ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วลถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องขวัญ อ, อาหารหรืออดอาหารบ้าง ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าไม่ถูกจริกกับเรื่องการอดอาหารก็ต้องไปหาที่เปรี่ยวอยู่ที่หน้าเกลืออยู่ไอยู่แถวป่าช้างมันไม่ง่วงไง เวลามันกลัวเเวลามันกลัวแล้วมันก็จะไม่ง่วงแล้วไปในสถานที่ที่เรากลัวมันจะฝึกจิตได้ดีกว่าสถานที่ที่สัตวประยัตหรือว่าที่เราไม่กลัวถ้าเรา ง, ง่วงมันจะทำงานถ้ามันสัตว ป, ปะระยัแล้วง่วงมันก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ดีนมันก็ต้องไปแก้ความง่วงแต่ถ้ามันไม่ง่วงก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไปแล้วควบคุมความกลัวไม่ได้ก็อย่าไปเออมันก็ใจแตกมันไม่รู้สติไม่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ได้ผลนีู่ก็ต้องค่อยๆฝึกแฝง ถูกสติให้มีกําลังมากขึ้นถ้าเราอยากให้เราฝึกแบบว่าให้มันมีปัญญาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะถ้ต้องพิจารณาตายลัคงอยู่เรื่ อ, อยๆพิจารณทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นดินน้ําลมไฟสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ อ, อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะดับก็ต้องดับเราอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราจะไม่ทุก เรปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจนั่นเองในขณะที่ทานขิงก็ต้องก็ต้องมีเจ้องอย่างเราทานถ้าถ้าเร า, าออกปฏิบัติถ้ามันการทําทานมันมันมารบกวนการปฏิบัติก็พักการทํำทานไว้ก่อนรอเวลาออกจากการปฏิบัติแล้วค่อยไปทํำทานทีหลัง อ, อ, อย่าไปทําพร้อมกันสองอย่างนี้บางทีมันขัดกั น, นอา่าอย่าอย่าให้มันขัดกัน ต้องอ่านปฏิบัติบูชาด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้จะหัวใจของการปฏิบัติเลยอยู่ในเร่นี้หมดทำหนังสือนี้ม า, มมาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปากเปียกปากฉีกพูดซ้าแล้วซำ้ำอีกนะไม่ยอมอ่างนงันชอบป้อนชอบให้ใหใหครูบาอาจารย์ป้อนอย่างเดีย ว, วชอบฟังอย่างเดียวไม่ชอบอ่านกั น, น, น